หล่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดองค์นี่นกันเจ็ดองนะยังมีเหลืออยู่อีกยี่สิบสามองที่จะต้องหล่อนะตั้งแต่มาอยู่ที่เสนาสร้างวัดใหม่เกิดมาก็เพิ่งเคยเจอนะว่ามีโยมเกิดศรัทธาหล่อพระเนี่ยแหละ ปกติมันต้องพระคิดค้นมีความประสงค์จะหลอกแล้วก็ชักชวนญาติโยมมันต้องมาในแนวนั้นใช่ไหมแต่ที่อำเภอเสนาที่เราทำเนี่ยวัดมีโยมมีศรัทธาชวนพระหลอกพระมันคนละเวอร์ชั่นกันก็มีญาติโยมหลาย คนเนี่ยอยากโยงแล้วก็มีภูบาอาจารย์หลายท่านมีทั้งติมีทั้งชมเชยมีทั้งอินดีด้วยอนุโมทนาบุญด้วยกันอะไรเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันในเวลาเดียวกันเรื่องการหล่อพระก็อย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามีโยมเกิดศรัทธาเริ่มใสยอยากจะสร้างตอนนี้มันก็มีโยมสองคณะเนีย ที่สร้างรูปเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งฝ่กรรมฐานแล้วก็วัดบ้านวัดบ้านคือใครอ่ะก็คือหลวงพ่อปานวัดบางน้มโคนะท่านเป็นอยู่เทียนเซนาใช่ไหมแล้วก็หลวงพ่อฤาษีลิงดําแล้วก็หลวงปู่ดูแแนวตะแก่ เกิดจากโยมนะมหานะเขาก็บอกว่าอาจารย์ชั้นจะรออาจารย์จะรับไหมเราก็บอกว่าถ้าฟรีรับหมดฟรีนะแต่จะให้จ่ายตังค์ไม่ได้เพราะว่าเรากำลังสร้างวัดเขาก็บอกฟรีองค์ละแสนะโยมไหวแน่นะไหวเขาให้ตังค์เลยนะที่พูดนยให้ตังค์เลย เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่นแบบนี้มียมคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพห้าองค์ยมยมป้องเนี่ยป้อมปณิดายมยมตุกยมป้อมเนี่ยยมปอมเขาแจ้งมาตอนที่สร้างวัดลงมือทำใหม่ๆเขาอยากจะหล่อลูกเหมือน<ม>ครูบาอาจารย์อาจารย์จะรับไหมมีใครบ้างอะ่ะ มีหงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านธูลีหลวงปู่เจี้ยหลวงปูแหนแวนเราบอกโยมจะหล่อเล้วบอกหล่อแพงนะเท่าไหร่อง์ลแสนให้ตังเลยนี่คือเป็นอย่างนี้ยมเนะี้ยที่ ท, ที่ที่เราทำเนี้ยพอมีโยมคนหนึ่งไม่รู้จักกันเข้ามากับโยมที่คุ้นเคยกันนี่แหละมาจากนครปฐม พอลูกขาวาเราจะหลอกลูปเหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยลุงปู๊ตตื้อที่มีจะผ่าพแล้วตอนนี้ลุงปูแหวนเนี่ยเป็นเพื่อนกันกันกบลุงปุ๊ตตื้เราก็คุยเล่นกันอย่างนี้ไนเขาบอกเออครูบาอาจารย์เนี่ยหลอแต่เพื่อนแต่เพื่อนอีกองหนึงไม่หลอกก็เหง า, าดิ <c oughs> มันนั่งคู่กันเคยลุงปูแหวนกับลุงปุ๊ตตื้อเนี่ยท่านจะไปทุ ด, ดงด้วยกัน เนะี่ยชดนงจะไปไหนคู่หูกันหลวงปู่แหวนเนี่ยไม่ค่อยชอบคุยแต่หลวงปู่ตื้นเนี่ยท่านชอบคุยเนะี่ยแต่ไปชิงดนงด้วยกันถูกคอกันคู่หูกันเสร็จแล้วต่นี้โยมคนนั้นก็บอกอาจารย์งั้นฉันเป็นเจ้าภาพหลวงปู่ตื้นแค่ว่าอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันนะให้ตังเดียวนั้นเลยนั่นแหละคืออีกคนตรงแนวสงสารเนี่ยให้ตังล้านหนึ่ง อยากหล่อพระอ้อยที่วัดเนี่ยเราก็ไม่มีปัญญาไปหล่อนะเพราะว่ามันหล่อเยอะแล้วองค์ใหญ่ะไม่รู้จะไ้ตรงไหนให้ล้านนึงเลยนะโยมลองคิดดูไม่คุ้นกันเลยนะที่พูดเนี่ยไม่คุ้นกันไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเนี่ยที่วัดเราจะเป็นอย่างเงี้ยที่ที่อำเภอเสนาที่เราสร้างวัดเนี่ยแล้วตอนนี้มีโยมอีกคนหนึ่งนะ ช, ชื่อโยมรัด โยมรักเนี่ก็คุ้นกันตอนที่ไปชันที่ที่ลางคำแหงก็มากันอย่างนี้เนะี่ยมาก็เลยคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันมาสักเจ็ดแปดปีแล้วเขาทำกิจการโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทเมื่อสองสัปดาห น, นี้มาคุยกันเขาไปสร้างรีสอร์ทอยู่ที่สุขโขทยัย แล้วเขาก็มาบอกว่าอาจารย์ผมจะหล่อพระอัฏฐารถสิบแปดองค์ถวายให้อาจารย์โยมคิดดูหลอ่อเป็นเจภาพคนเดียวเนี่ยสิบแปดองค์โยมเป็นได้ไหมเราก็เลยถามเับว่าทําไมหล่อเยอะจังจะไปทําไมเขาก็บอกว่าผมหล่อสิบแปดองค์เนี่ยผมจะเอาไว้ห้าองค์เอาไว้จานโรงแรมผมรีสอร์ทผมเนี่ย <c oughs> นอกนั้นเนี่ยผมถวายให้อาจารย์หมดเลย แล้วแต่อาจารย์จะไปแจกวัดไหนโยมเคยเคยเห็นไหมอย่างเงี้ย18องค์เนี่ยก็ให้ฟรีไม่เอาก็โง่แล้วใช่ไหมนี่นี่นี่คือความเป็นจริงอะเนาะส่วนใหญ่เนี่ยพระเนี่ยจะไปบอกบุญที่อะไรเป็นพื้นเลยแล้วก็จะบอกโยมว่าวัดอาตมาเป็นนี่โยมถอดขอกระถินว่าป่าหน่อยเหตุการณ์ตนนี้โยมจะได้ยินบ่อยเนาะ แต่ที่วัดเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัดบนวัดล่างหรือว่าที่อําเภอเสนาที่ที่กําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่โยมให้อะจริงๆเนี่ยนี่คือเหตุการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินที่เขาถวายไว้แล้วเนี่ยเขาถวายคนเดียวเนี่ยให้มาเนี่ยห้าสิบไร่นี่คนเดียวเลยให้ซีค่าโอนเราก็ไม่เอานะเราไม่จ่าย เพราะว่าโยมเขถวายเราไม่ได้หาที่้างวัดใช่ไหมนั่นแ่ะคือที่มาที่ไปเราก็มาซื้อทางเข้าทางเข้าที่ว่าจะขยายเนี่ยมันเป็นทางเข้าที่มันแคบที่ที่ไปเนาะมันมันแคบนิดเดียวเราก็เลยขอซื้อข้างๆจริงๆแล้วไล่หนึ่งเนี่ยมันแค่สามแสนติดถนนนะถ้าห่างถนนไปก็สองแสน หรือแสนหนึ่งคันหนึ่ ง, งแต่พอพระถามหกแสนเลยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้บางทีก็ไม่อยากจะขยายนะมันเหมือนเอาเอาสตังเอาเงินอีกคนหนึ่งที่หามายากเอาไปให้อีกคนนึงอย่างเงี้ยโดยที่อีก ง, ง่ายๆเลยอ่ะมันก็เลยคิดเยอะทีแต่นเนี้ยเราก็จะเอาอยัางไงดีเนาะ มันมีอยู่ติ่งหนึ่งนะเราจะขยายออกเดี๋ยวถ้ายมไปจะอธิบายฟังมันมีความจำเป็นอยู่หน่อยหนึ่งมันติดกันตรงนั้นนะ่ะประมาณสักสามงานได้อะเราก็เลยขอซื้อตรงนั้นสามงานอีกตรงหน้าใครเคยไปมันจะมีติ่งอยู่หน่อยหนึ่งไหมไอ้สามเหลี่ยมตรงนั้นนะ่ะมันประมาณสักห้าสิบตารางวานะเราถามเขาที่แรกเลย บอกโยมจะขอซื้อตรงนี้ได้ไหมเนี่ยถามกับหลานเขาหลานเขาก็โทรไปหาเจ้าของก็คือนะาเขาเขาบอกว่าห้าสิบตารางวาเนี่ยขายหกแสนโยมลองคิดดูสิห้าสิบตารางวานะ่ยหกแสนเี่ะที่ทุ่งนาเนี่ยนะโยมเอาไหมห้าสิบตารางวาหกแสนแล้วยอมผมขึ้นมาอีกเท่าไหร่ ไล่ละหนะ้าแสนนะแควัดถมดินอย่างเดียวเนี่ยใตรงห้าสิบตารางวางเนี่ยเรามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้้ซือเขาเนี่ยวัดดูสวยจริงแต่ว่าเสียเงินล้านหนึ่งยมยาไหมเงินล้านหนึ่งนะไม่ใช่บาทสบาทนะเนี่ยนี่คือปัญหากับคนข้างวัดเราก็เลยเอาเองี้แล้วกันมันมีติ่งหลังติ่งหนึ่งรวมกันเนี่ยเป็นไล่นนเนี่ยยมหกแสนได้ไหม เขาก็บอกได้ลวมไล่อย่างนี้นแต่มีพรอแม้ว่าทางวัดเนี่ยต้องจ่ายค่าหลังวัดกับค่าภาษีเ น, <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่ยโยมลองคิดดูต้องเอาเปรียบสักหน่อยจะได้นะนี่คือเหตุการณ์ที่ที่วัดกับการการสร้างวัดไม่ว่าจะซื้ออะไรอยู่ค่าลงค่าแรงเหมือนกันหมด และบางที่ก่อสร้างเนี่ยบวชแล้วหนีเลยเคยได้ยินไหมร้อยทั้งร้อยเหมือนกันหมดพระเลยตัวดำๆพระทุวันเห็นไหมพระเลยทํากันเองอะไรที่ทําได้เราก็ทํากันอะไรที่ทําไม่ได้ก็จำเป็นจ้างก็ต้องจ้างเขาในอย่างที่โยมเห็นเน่ยจึงวัดเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไวใช่ไหมจากปัจจัยยะโยมที่ถวายว่าบริจาค ก, กันมาเนี่ย เราก็ไปซื้อเป็นวัตถุดิบมาแล้วเราก็ทํามันเองเนี่ส่วนใหญ่ก็ครูบาอาจารย์ก็จะให้พระเราเนี่ยออกกําลังบ้างก็ต้างตั้งแถมดีเกินไปไม่ได้ต้องคิดแล้วอื่นอีกมันก็ต้องออกกํำลังกายกันบ้างเล็กเน้อยน้ <c oughs> นั่นเนี่ยเหมือนวัดป่าภูริทัศตเขาเคยใครเคยไปไหมวัดลูกบุเชียเรานะอันนั้นก็เหมือนกันอย่างที่เราทําที่เสนาเนี่ยเหมือนกัน ของเขาเป็นร่องสวนเดิมเลยอะ่ะเป็นร่องสวนแล้วปลูกผัดแล้วข้างๆเขาก็ขุดขุดเป็นคันไว้ไม่ให้น้ําเข้า <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกันแบบเนี้โผลดินเหมือนกันแบบแบบที่เราทําทุกวันเนี้แต่ที่การสร้างเนี่ยพอเราผ่านวัดป่าปุยทัศน์มาแล้วเนี่ยทุง่งนาแบบเนี้ยไม่ยากเพราะเราเคยทํามาแล้วแต่บางคนไม่เคยทําไม่เคยสร้างแล้วเดิมเทเดียว ก็ไม่เคยเป็นช่างพวกนี้เลยไม่เคยทํางานพอมาอยู่กับหลวงปู่ที่ปทุมเนี่ยหลวงปู่ท่านก็เลยพ่อ <c oughs> หนุ่มเ่นน้อยเนาะท่านก็บอกว่าท่านซื้อที่เพิ่มอีกแปดสิบไร่เขาถวายให้หลวงตาเนี่ยสี่สิบไร่เมื่อปีสองพันห้ร้อยยี่สิบเจ็ดเนี่ยเขาถวายให้สี่สิบไร่แล้วหลวงปู่ก็ซื้อเพิ่มอีกแปดสิบไร่พอซื้อเพิ่มตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ซื้อไร่ละสี่หมืน ได้ห น, นึ่งสี่หมื่นอนก็เป็นหนี้เขาสามล้านเจ็ดพอปีสองพันห้ยิบเก้าลวงปู่ให้จะช่วยไปหาพระที่วาโสกรามไปหาพระสององค์เข้าปัญชาเนี่ยตอนนี้พระมีทั้งหมดเจ็ดองค์หลวงปู่อยากจะได้สักสององค์ให้ครบเก้าหลวงปู่บอกว่ามันไม่มีตังพอเข้ามานิมนเนี่ยพระไม่ถึงเก้าองค์เขาก็มานิมน ส้าตังก็มีใช้ฉันก็ว่าอย่างนั้นก็เลยจะไปนิมนต์พระทิวโสรกรามทั้งสององค์ให้ครบเก้าอยากโยมเขาจะได้นิมนต์อาจจะได้มีสตางใช้เป้าหมายนะแต่นี่วัดสร้างใหม่แล้วก็ลงปู่ทั้งกระดูกด้วยปีสองพันหนรอยิบเก้าเนี่ยมีพระทั้งหมดเนี่ยร้อยห้าสิบองค์นะวิโสกรามก็ปลูกขอสององค์ไม่ไพมาลทวูดเช ก็ได้ยินกิติศัพท์หลวงปู่ดุนะดุชอบตีพระตีโยมคำว่าตีโ ย, ยมเชื่อไหมว่าส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะดือ้อนะดื้อแล้วสอนไม่ฟังส่วนใหญ่เป็นอย่างนงี้เลยไอ้ที่ตีเนี่ยว่าที่อยู่เฉยปิตีนะพูดหลายครั้งหลายหนไม่ทําตามไหโดนอย่างเงี้ยโดนเนี่ยเราไม่โดนเพราะรู้แกวถ้าอยู่ใกล้หลวงปู่นต้องพูดโทรไ้พูดโทรจถี่ไว้ พุทธจะโทรอย่เงี้ยจะไม่โดนแต่ที่ใจลอยพระบางโยมบ้างที่คุยนอกเรื่องนอกราวเงีโดนถ้าเราพุทโธไว้ตลอดเนี้ยไม่โดนเนียหลวงปู่เนี้ยเพรานั้นเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี้ยยังไงพุทโธรไว้ก่อนนั่นแหละพอเราผ่านงานตรงนั้นมาปุบพอเขาถวายที่เทียอำเภอเชนาเราเนี้ยเดิมทีเดียวกะทําแค่สองสามไล่เลยนะ องพระเจ้าศิลป์เนี่ยที่คิดไว้เดิมอ่ะทำไว้เป็นที่พักพอเวลามีธุระมาลงมาข้างล่างแบบเนี้ยมันจะได้มีที่พักที่ผอนอะไรเงี้ยพราะว่าผ่อนหรือว่ามีกิจใ น, นมณงบางครั้งก็ไปนอนวัดป่ามณีการเปหลักนะเพราะมันใกล้ที่นิมนต์เนาะวัดป่ามริการอ่ะเคยไปไหมตรงนั้นอ่ะก็จะไปพักกันที่นั่นมันมีกฎกฎติของอาจารย์อุทัยข้างหลังหลังวัดเจ็มอยู่ เราก็จะไปนอนกันที่นั่นครูบาอาจารย์มาจากทางหลายๆที่ก็จะมานอนรวมกันเขาก็ทํากุฎเป็นทักงหลังให้อยู่นันนะแต่พระลงมาทีไม่เอาอะไปนอนรวมคุยกันไปกิจนี่ม่วนมาเจะาเอกกันแล้วคุยกันแล้วเสร็จกิจนี่ม่วนก็กลับวัดไขวัดมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันเพราะว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มทุดงแลบประานเนี่ยจะถึงกันหมดถึงกัน มากลุ่มเดีวกันในใจพระคอนเนี่ยเป็นลุกสิษย์หลวงปูฟป่ฟั่นหวปู่ฟั่นอาจจะโดนทําขามเนีเ่ยแล้วก็ลุงปู๋ดเกี่ยวก็เป็นลูกศิษย์หูมั่นด้วยกันนี่หลวงตา ม, มหาบัวเวกนี่ยกลุ่มเนี่ยลหลายองค์เนี่ยก็จะไปมาหาสู่กันก็จะคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระกรรมฐานเนี่ยจึงเป็นวงกว้างวงกว้างมันถึงกันหมด อย่างวันนั้นลุงปู่สุพันเนี่ยท่านอยากจะมาพักที่วัดเราก็กราบเรียนท่านไปที่ได้ว่าที่พักมม่สะดวกอีกไม่กี่วันนะท่านก็ฮารุสิโทโธไม่อีกบอกอาจารย์ลุงปู่อย่ากจะไปนอนกับอาจารย์เนี่ยเอาให้ดูว่า <c oughs> ก็เลยรีบไปดูกุฏิที่ว่าน่ะไปดูกุฏิกันนะนอนกุฏิหลังนั้นแหละจะ่สี ย, ยถวายกั น, นก็เลยไปดูที่เขาทาสําเร็จรูปบ้านนก ด, ดาวที่ประทาง ก็เลยไปถามเขาเขาก็ขายสองแสนสามแต่นี่ไอฐานล่างที่เราทำอะ่ะเขาบอกลดให้ถ้าทางวัดทำเนี่ยเขาลดให้หมื่นห้าเขาว่าอย่างนั้นเอา้างั้นเราก็ทำนั่นเนี่ยไปมันไปทำงานแบบเครียด ส, สะสมอะแข่งกับเวลาเ ร, เรื่องเรื่องะมันเลยไม่ได้พักไม่ได้่อนอะพักผ่อนไม่มี ก็เตรียมงานกันด้วยเนี่ยมื่อคืนนีิชิว่าเนี่ยที่หนึ่งทีหนึ่งมาตื่นมาแต่ก็เดี๋ยวมันปวดหัวมันปวดไปแค่แบบทุบๆนะมันบีบไปเหมือนแบบบีบเนี่ยบีบมันบีบมันหนักเข้าเหงื่อออกมือออกเท้านะเราก็เอายาหม่องยาหม่องน้ำเนาะกอดาทานี่ทำไมไม่ได้กลิ่นปกติมันได้กลิ่นนะคือมันจะไม่หายใจแล้วไงมันมันมันไม่หายใจอ่ะมันหายใจไม่ได้มันแน่น แน่นนะโอ๊ดี๋ยวยื่าออกตามมีตามเท้าแล้วก็โทรไปหาพระให้มันนวดขาให้หน่อยมันนวดขามันก็มันก็ไม่หายแล้วเอายาลมเมื่อกี้ไปโรงพยาบาลที่จุฬามาหมอไม่รู้จักยาลมคืออะไรเขาบอกยามรมคืออะไรไม่รู้จักอธิบายไงดีเลยเราเอป็นหมอยังไม่รู้จักยาลมรู้จักหมอพยาบาลเนนะี่ยแต่หมอไม่รู้จักยาลม เราบอกยังไม่รู้จักยาลมยาลมคืออะไรนี่คือคนไทยหมอโรงพยาบาลจุฬาเราเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นหุ่นฝุ่นอ่ะเป็นหุ่นฝุ่นเสือหมูไทยเป็นคุณนฝุ่นเนี่ยบอกเออคือแยกแม่ไปรู้เรื่องหรอกบางคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะยาลมยาหอมเราอเนาะยาหอมเป็นหุ่นฝุ่นแล้วก็ผสมน้ําร้อนอุ่นๆยาสามันประจําบ้านเราอย่างเงี้ยไง เนี่ยเราก็เอามาฉันไปหน่อยนึงพอฉันไปหน่อยก็เลยเรียกโยมสงัดบาที่ไปเรียกพยาบาลนะเนี่ยต้องสองคนในพยาบาล น, นั้นเนี่ยลูกศิษย์ที่เป็นพยาบาลหลายคนอยู่นะหลายคนพอดีเขาอยู่ที่วัดพอดีเลยก็เลยเรียกมาดูที่ถ้ามีอาการอย่างาเงี้ยทำยังไงก็เอาความดันมาวัดเครื่องอ่ะจริงๆเขาให้วัดทุกวันนั่นแหละวันแ ล, วแล้วก็จดไว้จดวันนี้เช้าสายใบยเย็นอะไรเงี้ยแต่มที่กี่จดทํางานเนยอะกว่า ขึ้นตกสองร้อยนะทั้งตัวล่างตัวบนเลยสองร้อยตัวสองร้อยเลยก็เลยนวดสั ก, กเดียวนวดมันก็ลงมานิดนึงวันก็ร้อยเจ็ดสิบแปดสิบนะแต่ที่มันปวดได้มันเหมือนกับบีบอะโดนบีบมันไม่ใช่ทุบทุบทุบไม่ใช่มันบีบจนแน่นเป็นแบบนี้สองครั้งครั้งแรกที่ฉันยาทุกวันเนี่ยก็คือไปช่วยงานงานศพของปู่ม า, าเจอวัดิางคนเคได้ยินชื่อเนาะ ลูกลุงปูปป่มหาเจิมเนี่ยเป็นพระกรรมฐานเราเนี่ยบวชก่อนลุงปเต้ยวันนึงจะพัดจะผูได้ไปช่วยงานท่านงานศพท่านเนี่ยเขาก็เลยให้เป็นหัวหน้าจริงๆแล้วงานศพครูบาอาจารย์แบบเนี้ยส่วนใหญ่เราจะเป็นลูกมือแต่งานนั้นเนี่ยไปเป็นหัวหน้าเขาแล้วยมคิดดู่ขนาดพละษังขาเนี่ยโลงเก้วไม่มีจะใจส่รองศพไม่มีนะไม่มีอะไรเลย ว่าจะเอาศพท่าน ม, มาจากโรงพยาบาลที่นครธมเนี่ยเอามาวัดต้องฝากไว้คืนหนึ่งก่อนปกติเนี่ยผูบาอาจารย์ท่านนี้แล้วเนี่ยเมื่อละสังขารกันเนี่ยเขาจะไปให้นอนนะใ น, ในโรงพยาบาลในห้องเนี่ยเขาจะไปไปเข้าห้องดับจิตเราก็บอกไม่ได้ไปห้องเข้าห้องดับจิตได้ยังไงผูบาอาจารย์ท่านนี้แล้วเราจะสตังค์มาซื้อโรงยังไม่มีเลยขนาดนั้นเมื่อปีสองพันห้าร้อย อ่าหนะ้าสิบห้าสิบห้าห้าสี่้าห้าเองนะหลวงปู่บาาเจิมนะีท่านเป็นพระที่ไม่สะสมเป็นเป็นนักทุ ด, ดงตุยงเลยหลวงปู่บาาเจิมเนะี่ยท่านประโยชนใต้นานประโยชน์พังงานนะประโยชนตั้งแต่รัฐประเทศเป็นทุ ด, ดงหลังจากรัฐบาลมรณะภาพไม่ไ ม, ไม่ไม่นานปีสองปีอยครูบาอาจารย์ก็ลงไปถนนกันลงไปทางทางใต้เป็นเยอะแถวถนนเพชรเกษมเนี่ยสองข้างเนี่ย จะเป็นที่พักครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นวัดเลาะๆไปตั้งแต่ลาดบุรีไปเลยจะมีพักวัดป่ากับมัดฐานเนี่ยทํายุทธเราเนี่ยจะมีสองวัดข้างเยอะเนี่ยเยอะก็จะถึงพังงากระบี่ทั้งไปโู่นแหะประจวบไปคนครธิดำลาชเลาะๆไปเนี่ยไปกันเยอะจะไปทําเป็นวัดวัดทํายุทธเนี่ยก็จะเป็นวัดกับวัดฐานหมดครูบาอาจารย์ในพักนั่นแหละท่านไปอยู่ปอยู่ใต้นานนานมากเลยไปอยู่กับหลวงปุนเนศ ตรงนั้นมาแลมสักอะไรที่อำเภอแหลมสักมันจะมีบ้านแหลมสักนะฮะอยานานตรงนั้นเนี่ยเราปลูกจันแลมเนี่ยพวกนี้อยู่อยู่นานรนั้ น, นแล้วท่านก็กลับขึ้นมาแล้วก็มียมเขาอยากให้มีวัดกรรมฐานที่อำเภอกระแผงแสนนครปฐมเนี่ยก็เลยไปสร้างวัดในประช้าประชาพิจิบเนี่ยเนี่ยไม่มีเรื่องแตกนะโยมเรื่องประช้าเนี่ยก่อนที่จะไปสร้างวัดกันเนี่ย เขาก็ทําวิธีล้างประช้ามันก็ขุดเอาก็เอาเอากระดูกคนเนาะปกติเขาจะแยกชายหญิงชายหญิงใช้ไมแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งกําลังล้างประช้าก็อยู่นเนี่ยเนี่ยมีวิญญาณผู้หญิงเนี่ยไปเข้าฝันเนี่ยบอกว่าเอาเอาเขาออกมาจากในกองนั้นมันมีผีผู้ชายปตั้มเขาอะ่ะเราก็เอาให้วิญญาณยังตั้มกันได้ไงเนี่ยก็ไปเอากระโหลกนั้นออกมา เออมันก็มันก็แปลกกันนะแล้วก็หลกเอาของผู้หญิงออกมาออกจากกองกองของผู้ชายเพื่อวิญญาณนี่ยังไปปั้ํางอไยไม่ด้ไปเข้าฝันเปคนทําวิธีถึงไม่รู้ว่ามันมันผิดไ ป, ไปเผลอออกมาอาันนี้ก็เรื่องแปลกอยู่เหมือนกันนะที่นี่เนี่ยปรสะสาทของคนเนี่ยตัหลังมาก็เลยเ ท, ท, ที่แบบอา่าแกบบําเแบลกําแพงแสนบ้านสักบ้านสักก็เลยได้ไปอยู่ที่นั่นกันแล้วก็นิมนต์หลวงปู่มหาเจิมเนี่ยท่านมาจากที่ ทางงาน้ก็บีอ่ะกลับขึ้นมาเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าวาดที่นที่วัดสระมงคล น, นี้ตอนก่อนที่จะไปเนี่ยท่านรพักที่วัดป่าภูริทัศน์ก่อนอยู่ลพบเรียเนี่ยเสร็จแล้วก็นิมนต์ท่านไปพอเวลาเราลงมาก็จะไปกราบท่านไปสนทนาธรรมกับท่านบ้างอะไรบ้างเนี้ยจับใจผูงาศพท่านก็ได้ไปช่วยและมันก็มีอาการตัวเนี้ยเพราะอะไร โรงศพก็ไม่มีไฟฟ้ากระโดนตัดมันมันคิดสะสมทุกอย่างไม่มีหมดไม่ว่จาจะเป็นพรมไม่ว่จาจะเป็นอาสนะอะไรไม่มีเลยนะแม้กระทั่งช้อนชามเนี่ยต้องซื้อใหม่หมดเลยแต่มีพระองค์หนึ่งท่านมาช่วยก็คือท่านออสท่านอานอสเคยเป็นลูกศิษย์ของมลงปู่ประสิทธิ์วัดป่ามู่ใหม่เคยเคยไปไหมวัดป่ามู่ใหม่นะที่อำเภอแม่แตง ใกล้ๆ ก, กับวัดป่าจันตื้อตรงตรงที่ไปแ จ, งจ้งอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยกลุ่มเดียวกันเนยท่านลงมาช่วยท่านบอกว่าอาจารย์ลังท้ายไว้ให้ออกภาษาแล้วก่อนเดี๋ยวผมจะมาช่วยก็บอกรองบอกร อ, อ, องไอ ว, ว้ป่วยในภาษาเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็อาจารย์บุญเรือมคมณพ่อมองคลเนะี่ยท่านบอกชาวช่วยหน่อยท่านอาจารย์ครับผมพระไม่มีที่วัดผมจะกลับวัดแล้จะกลับไปได้ยังไงช่วยก่อนๆที่มั้น ก็เลยต้องทิ้งวัดบ่นไว้อะไรทำจะดีได้ได้ปีเดียวเองก็เลยต้องทิ้งไว้ก่อนพอพอไปอยู่นั่นทุกอย่างมันไม่มีเลยไฟฟ้าก็โดนตัดเต้นก็ไม่มีไอะไรก็ไม่มีส่วนไม่มีบางอะไรบางสาพัดมันต้องบริไฟวัดทั้งมหมดเลยเรียบร้อยนอนดึกพอสวดสวดพระอิทามเสร็จ อะไรต่างๆนานเนี่ยมันก็ต้องตีสองตีสามอย่างเงี้ยนอนนะถึงนอนได้หกโมงเช้าก็ต้องตื่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์มาไม่มีพระคอยคอยดูแลอย่างเงี้ยญาติโยมมาไม่มีพระมันก็เลยแม้กระทั่งเก้าอี้โต๊ะยังไม่มีเลยนะคือไม่มีเลยที่เผาศพยังไม่มีอนะ่ะเข็ ด, ดูมันก็งงก็ค่อยสกีนทีละหน่อยหน่อยมันก็เลยทําให้อย่างที่ว่าปวดหัวเลยอนะไรเนี้ยมันบีบเหมือนกันเนี้ ก็ไปโรงพยาบาลลาดบุรีความนั้นขึ้นสองร้อยโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยพี่มันทําไมนั่งก็ ไ, ไ, นนกไม่ได้นอนก็ไม่ได้ตอนคืนแบบนี้เนี่ยประมาณักเที่ยงคืนมากว่ากันแล้วมันเริ่มเป็นที่หนึ่งที่สองเนี่ยเพอไอ้โรคพวกนี้ยมันจะขึ้นประมาณก็ตอนคืนที่ยวสังเกตเลยตอนคืนมันจะขึ้ น, น, นพอไปโรงพยาบาลลาดบุรีรู้จักกันหมอเมื่อเทียนหมอมื่อเทียนเขาอยู่ศูนย์มะเร็งศูนย์มะเร็ง เขาบอกาอาจารย์ต้องฉันยาตนะัวเนี้ยจริงๆตรวจเจอมาตั้งแต่อายุสามสิบกว่าสี่สิบแล้วความดันตัวเนี้ยไม่เคยฉันยาหมอวันเทียนบอกาอาจารย์ต้องฉันแล้วนะมันไม่ได้แล้วต้องฉัน <S <S ก็เลยฉันตั้งแต่วันนั้นมากระทั่งทุกวันเนี้ยปีสองพันหร้อยสามสิบสามสามสี่ไปห้าจริงๆจริงโรคตัวเนี้ยมันเป็นมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเป็นโรคหัวใจไม่เคยรู้มาก่อนเลย มันรู้อย่างเดียวว่ามันแน่นอกแล้วก็นั่งที่อยู่บนดอยนะนั่งตายเราไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยตอนกลางคืนมาเมือนเหมือนอะเหยียบอกเหมือนอะไรทับอกมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเป็นงคืนแล้วมันจะนอนไปได้เลยนะพอประมาณเที่ยงคืนเนี่ยเป็นแหละพอ น, นอนตอนไหนน้อยสองทุ่มธมวัดเย็นสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนนอนแค่ชั่วโมงหนึ่งมันก็มีอาการอ่ะมันเลยต้องนั่งหลับ ที่เคยขึ้นไปแล้วเห็นโซฟาไหมเราไม่รู้นะเวลาเขาใจแล้วนั่งเล่ น, นี่เฉีไยนั่งไปเราหลับดีก็นั่งมาเลื่อยเลยเป็นสิบ ป, ปีนะเป็นสิบสิบ ป, ปีนะไม่ใช่นั่งปีสองปีนะเป็นสิบ ป, ปีนะมันก็เลยนั่งหลับเพลินอยู่นนะั่นแหะมันนอนง่ายไม่ได้พนอนอนง่ายปุ๊บเนี่ยพอตักชั่วโมงสองชั่วโมงหระแล้วคิดมักจะเป็นตอนกลางคืน มันก็เลยนั่งหลับมาจนชินที่บนวัดบนเราที่เห็นโซฟาที่ใครขึ้นขึ้นไปจะเห็นไหมที่วัดจะมีโซฟาตัวหนึ่งเนี่ยที่นั่งบนศาลานั่งหลับตรงนั้นเนี่ยเป็นสิบสิบปีโยองเขาก็เลิกว่าเราในเคร่งแต่ <c oughs> <c oughs> จริงหารู้ไม่ว่ามันจะตายแล้วเพราเนี่ยมันแน่นหน้า อ, อกเพราะฉะน้ําท่วมปอดเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ต้องบอกลาเนี <c> ่ย <oughs> ไม่ต้องบอกลามันจะไปมันก่อนเลยแบบ มันจะไปตอนไหนไม่รู้นี่แหละก็คือว่ามรณะนิสติเนี่ยเราต้องนึกบ่อยๆนึกบ่อยๆที่เราสวดกันเนี่ยอยังโขมีกายโยกายของเรานี่แหละพวกเนี้ยก็ต้องสวดไว้สวดไปก่อนเนี่ยสวดไปเะชนะธ ร, รมโมหมีฉลังอานาดีโตเรามีความแก่เป็นธรมนรมดาล่วงล้นความแก่ก็คือมนต์ต่างๆที่เราสวดเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมด เป็นธรรมะแต่ถ้าเกิดว่าเราสวดแล้วจิตเป็นสมาธิในระหว่างสวดเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะเหล่านั้นเพราะาธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ได้จริงๆนะเป็นเครื่องแก้ทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันนะถ้าเราอ่านหรือฟังเพื่อจําเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ลืมนะเดี๋ยวลืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราฟังไว้อไม่ต้องจําไม่ต้องจำํำนะไม่ต้องจํา ฟังไว้ก่อนแล้วก็มันทำความสงบให้เกิดขึ้นก็คือทําสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเองแล้วทำบริกรรมเนี่ยทิ้งไม่ได้เนี่ยต้องกากับตลอดทํางานกินดื่มทำพูดคิดกับมีสติเนี่ยแล้วทําให้มันสม่ําเสมอแต่พวกเราญาตโยมนางสารมันทํามั่งไม่ทํามั่งทำทำหยุดหยุดมันมันไม่ปฏิปโตอ่อมันก็เลยไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ส่งผล นะไม่สมผลพออยู่ในวัดมันก็มันก็ดีนะพอออกออกจาวัดมาเอาเกินพระหมดแล้วหัวศีลห้าศีลแปดข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็คือได้พระหมดกลับมาทั้งโลกเราก็อย่างว่านะทางตาบ้างทางหูบ้างมันจะผัดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้แ้วก็ลืมแต่ก็ยังดียังมีโอกาสได้ได้ได้ไปวัดกันไปทำกันโนะยมไม่ไปพระเขามาหาโยมมังอะไรมังเับกัน แต่ก็ดีขอให้ทไปเรื่อยๆแล้วการบุญกุศลเนี่ยทําให้ต่อเนื่องทํำจนเกิดความเคยชินทําให้เป็นนิสัยแล้อีกอันนึงเนี่ยตอนเนี้ยคนโทรมาเยอะหรือคุยมากเรื่องสงครามโลกเนี่ย <What? S 1> บอกโยมดีไม่เป็นไรครับตายพร้อมๆกันเยอะดีมีเพื่อนไปเหงาคือยังไงเรามันยังไม่ทันเกิดก็ไปจินตนาการมันจะเยอะเกินนะจินตนาการเล็กอย่างในการสื่อสารเนี่ยมันม่ทั้งจริงทั้งไมจริงมั่วกว่าเนี่ย แล้วคนล้อมก็เสีกับข่าวพวกเนี้นะมันก็เลยทําให้ประสาทหลอนมดมันเลยลามมาหาพระอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านพูดเนี่ยท่านก็พูดเตือนสติเรานั้นแหละจริงจริงแล้วอนะครูบาอาจารย์องค์นั้นองนี่เขบอกมันจะมีสงครามโลกน้ําจะท่วมโลกอะไรก็ว่าไปเราก็ให้เงี้ยคิดกับโยมเสมอเลยว่ามันท่วมมันก็นดีตายทีเยอะๆเนาะไปคนเดียวมันเหงาไปลหลายหคนไม่เหงามีพระบางองค์เนี่ย ซื้อเรือไว้ซื้อวอไว้ซื้อทรัลเซลไว้เตรียมตุนทั้งยาและยาโรคทั้งเทียนเราก็ถามว่าทําตายหมดโลกท่านจะไปคุยกับใครเนี่ยซื้อเรือติดไว้ข้างกุฏิเลยเตรียมไว้ดูซิเนะี่ยเดี๋ยวน้ําท่วมโลกก็จะได้มีเรือไปนู่นไปนี่เราก็ถามมันตายหมดแล้วเราอยู่ไงคนเดียวล่อเทียนเทือนเตรียมไว้นะ จนยายารักษาโรคเสียหมดหมดอายุ <c oughs> เนี่ยคือคนเราไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าถ้าเกิดตายหมดโลกแล้วเราจะอยู่กับใครอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเราพูดถึงไงเงาอ่ะเอาทดลองเลยอ่ะถ้าลองไปอยู่ป่าวัดที่เงียบเลยอ่ะสักระทิปเดียวก็ไม่อยากอยู่ลยแล้วใช่ไหมถ้าเกิดมันเป็นจริงที่มาเราจะอยู่ยังไงอ่ะเพราะว่าแต่มันจะเป็นอย่างนี้อยู่คือไม่เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออ ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพิจารณาแบบนี้หนึ่งๆเนี่ยเราก็เป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทพอเวลาเราทำสมาธิมันจะเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าอะไรเรายอมรับความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สับสนไม่ทุลมทุลายเนี่ยการปฏิบัติธรรมก็คือที่พระพุทธเจ้าเทศน์เนี่ยคือเรื่องจริงนะเรื่องจริงการเป็นว่ายแต่เกิดนั้นมีจริง ตายแล้วไม่ศูนย์อย่างเงี้ยแต่พวกเราในปฏิเสธอยู่เรื่อยตายแล้วว่าศูนย์อยากทำาไปทำไมเหอะ <c oughs> เกิดมาชาติเดียวเท่านั้นเองอะไรเงี้ยตายแล้วแล้วกันอย่างจริงไม่ใช่มันต้องไปอีกนะมันจะไปเรื่อยตามบุญตามบาปที่เราสังสมไว้อะเนี่ยมันก็จะพาดาเนินไปสองทางนี่เนี่ยชั่วกะดีเนี่ยบาปประบนรกสวรรค์จะพาไป พอเรารู้หรือว่าเราเข้าใจตามที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านประเทศอบรมให้เราเนี่ยบำเพ็ญทางด้านจิตภาวนาเนี่ยทาให้จิตไปสมาธิเนี่ยทำให้กิเลสั้หนรานละคะโลกโกรธหลงเนี่ยมันเบาบางแล้งหมดไปมันก็องไม่ต้องกลับมาเว้นว่ายแ้เกิดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยขอให้เราทำอย่างเงี้ยเชื่อมั่นในตรงนี้ก็แล้วกันเมื่อกี้ก็ถามโยมเขาว่ารเ ข, ขาวรสาจะไปทางไหนกนก็จะไป นวนไปอาจารย์ชายแด น, น, นก็ดีเทศดีอาจารย์ชยแดนเจอกันบ่อยเพราะฉะนั้นดีแวะเวียนไปเที่ยวตามวัดคุบาอาจารย์เนี่ยไปหาประสบการณ์ชีวิตเราไปที่ใดที่หนึ่งมันอาจจะนะมีกรรมเกี่ยวข้องอย่างที่คูบาอาจารย์ไปทูดงหรือว่าไปปฏิบัติธรรมกันเนี่ยบางทีมันไปจัาเอเกเของที่ที่เก่าเจ้าของอ่ะเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าคือที่พุทธคยาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ พระพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์เนี่ยต้องไปตัดสัรู้ตรงนั้นองค์ก่อนๆที่ผ่านมาแล้วก็ไปนั่งภาวนาตรงนั้นแหละองค์ต่อไปพระสีอาญาเม่ไตรก็ต้องมานั่งตรงนั้นแหละมันเป็นสถานที่ที่ะผู้บำเพ็ญเพียรที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องไปนั่งภาวนาตรงนั้นตรงอื่นไม่ได้นี่อย่างที่ครูบาอาจารย์ปฏิทุดงหรือว่าพวกเราปฏิทิดงกันเนี่ยเราเองก็ไม่รู้ว่าตรงไหน เนี่องที่ครูบาอาจารย์ท่านไปที่เราได้ยินได้ฟังอ่นะเนี่ยในอย่างที่เราไปเนี่ยที่สามบินทุ่งเราก็ไม่รู้ลุงปู่ให้ไปเนะยเราก็ไม่อยากไปเนี่ยนั่งๆก็อยู่เนี่ยอยากจะไปอยู่นานๆไม่หรออยู่มา30กว่าปีแล้วนะทีแรกเราก็ไม่อยากอยู่นะพอไปแล้วพอภาวนาแล้วถึงได้รู้ว่าเราเคยอยู่ที่ตรงนี้เราก็ต้องมานี่เนี่ยถ้าไม่ถ้าเราไม่ไปกรรมศาสตรตรงนั้นนะความรู้ต่งางๆก็ไม่เกิดขึ้น มันดันให้ไปหากันอ๋อตรงนี้นี่เองพอจิตมันรู้เนี่ยมันเลยย้อนหลังไงลอย้อนไปหาท่านพุทธเจ้าทําไมต้องนางสุงชาดาอ่าเสวยข้าวมาทูปญาติของนางสุงชาดาทําไมต้องไปข้าวอันนั้นทําไมต้องถ่ายทองคําทําไมต้องนางสุงชาดาทำคน อ, อื่นทําก็ไม่ได้เดี๋ยวนะีมันไม่เห็นอ๋อตรงนี้นี่เองเไงมันมันมันดันไปเองเนี่ยบังเอิญไม่มี เนี่ยก็เหมือนอย่างเราที่มาทําวัดทิ่เสนาเนี่ยใครมันจะเอานามาทำเป็นวัดโยมโง่เปล่าแต่พูดถึงเนี่ยมันมีเหตุนะให้แบบให้มาทําเนี่ยเขาถวายให้กับหลวงปู่สง่ามาตั้งสี่สิบสามปีแล้วว่ามีพระมาหลายคณะนะเขาก็ทําไม่ได้แต่มีคณะหนึ่งเราไปบิณฑบาตหน้าวัดตอนก่อนที่เรียกว่าวัดเลยหน่อยเขาถามเลยไปวันแรกเขาก็ถามเลยนะ เขาถามว่าอาจารย์มาทําอะไรกันเลยอ๋อเขาถวายที่สร้างวัดโออาจารย์ที่ผุนี้แรงนะเอมีพระมาหลายคณะแล้วทำไม่สาเร็จแต่มีคณะหนึ่งเนี่ยเขาเาโถงมาติดรอบเลยเนะี่ยรอบที่เลยแล้วก็มีประลัดพิธีมีการวงสรวงด้วยฉันก็ไปทำบุญกับเขาอยู่เขาอเอาองค์เอาไห้ไม่เยอะนะลอยน้ํำไม่หมดแล้วตอนนี้เขาบอกเขาเอามาเนี่ยเขาทําพิธีบวงสรวงมีสงเจ้าเลยนะแล้วมีพระองค์นึงเขาบอกว่า ที่พื้นนี้แรงเขาเองก็ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าจะมีเจ้าของเขามาทำขเขงเองเํา อ, อย่างเงี้ยแกพูดอย่างนั้นนะมเราก็นึกในใจโอ้โหขนาดคนมาทําทั้งเยอะแยะยังอยู่ไม่ได้เราจะไหวหรอเนี่ย <c oughs> เราก็คิดแบบอ้ยงั้นเอา ท, ทําสักหน่อยเด็กก็พอแล้วทำครั้งหน้าที่ว่าวันกี้เนี่ยสักสองคำไร่แล้วก็พอแค่นั้นเลยเราก็คิดอย่างเงี้ยว่าที่มันแรงไงเราเองจะไม่ไหวดิเอาคิดอย่างเงี้แบบก็อัศจรรย์นะ ทำไปทำมาแล้วก็มีคนช่วยคนผ่านไปผ่านมาโยมเชื่อไหมว่าเข้า ม, มาถวายเงินที่วัดได้เป็นล้านเ่ไอ้ที่เห็นเที่เวใวัยเนี่ยไม่ใช่ของลงเพ้นคิดอย่างเดียวนะมีทั้งโยมทั้งคนที่เราไม่รู้จักเลยนะถวายทีมันตัน้งนานเลยนะมันก็งงนะไอคนทําไมเขาใจดีขนาดนี้มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้นะมันน่าจะมี แต่นี่พอทําไปสักทักหนึ่งทำไปสักโถมไปสักสักสามไล่สี่ไล่นี่แหละผู้ใหญ่บ้านที่นั่นนะพขมาเขามาเ ข, า, า, เขาบอกว่าอาจารย์ปู่ย่าตายายเขาบอกที่ตรงเนี้มันเป็นที่พักทับของทหารโบราณเขาเวลาเขาจะไปเมืองการเนี่ยเขาจะเดินจากอายุธยามาก็จะมากินข้าวเที่ยงที่นี่แหละเขาว่าอย่างั้นเราก็เออเอ อ, เ อ, อตามเขาเราเราไม่รู้อะแล้วตรงนี้มันจะมีบ่อน้ําลูกหนึ่งเขาเรียกโป่งตะลอง โบใหญ่ตรงนี้บวงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะเป็นดอนกับเขาหน่อยอย่างเงี้ยเป็นโคกเป็นดอนเข้าว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมากินข้าวกลางวันกันที่นี่แล้วมันก็จัดเดินต่อไปถึงอ่างอู่ทองทางอะไรเงี้ยไปออกหนองขาวออกตรงอ่ะมันจะปีเสศทางเดินไปที่ไอ้หนองสาหลายคือหนองสาหลายที่สุพรรณเนี่ยมันเป็นที่อู่ทองเราเนี่ยมันเป็นอนุสร์สร้างลึกถึงไม่ใช่ที่ชนช้าง แต่ทุกวันนี้คนก็ยังเข้าใจว่าเป็นที่ชนช้างไม่ใช่เขาทําเป็นอนุสรณ์ดอนเจดีย์นะสร้างเจดีย์ไว้อันหนึ่งแล้วก็เอาอะไรอย่างเงี้ยมาทําเป็นที่ลึกถึงเหมือนเจดีย์สีสุโยธัยไหมเคยได้ยินไหมเจดีย์สีสุโยธัยอ่ะมันไม่ใช่ชนช้างตรงนั้นมันชนช้างฝั่งนี้อฝั่งข้างนอกเมืองนี่แล้วก็อศอข้ามไปแล้วเขก็ไปทําเจดีย์องค์นั้นไว้เป็นอนุสรณ์ไม่ใช่ชนช้างตรงนั้น เนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะฉะนที่ผืนเนี่ยเป็นที่ที่เขามากินข้าวกลางวันทัพเนี mm ่ย hmm. มันเป็นหมู่บ้านใหญ่สมัยก่อนเนี่ย mm hmm. หมู่บ้านใหญ่มีคนอยู่มีอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วขุดไปเจอเจอกระดานนะ mm hmm. เจอไม้เจออะไรข้างล่างลึกๆอะ่ะ mm hmm. มันจะมีตัวนี้อยู่ mm hmm. แล้วต่อไมใ้ใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยที่ขุดลงไปอะ่ะผ mm ุผ hmm. ุบ้างก็มียังไม่ขุก็มี โยมเขาบอกโฉนดเนี่ยเพราะมันมันเพิกออกมาไม่กี่ปีเนี่ยโฉนดเพิ่งออกมาเมื่อก่อนมันมีทางเกวียนเนี่ยเขาบอกตรงนี้ยทางเกวียนแล้วก็เลี้ยงงูเลี้ยงปลาเขาจะมากินมากินน้ําในบ่อ น, นี้กันเนี่ยเขาได้ปรทดลองเนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อก้อยแกมาครั้งสองครั้งแกสัมผัสได้นะแกบอกว่าอาจารย์เนี่ยมีคนหนึ่งเขชื่อแตงอ่อนเขามาบอกว่าบอกอาจารย์ด้วย เขามีลูกคนหนึ่งเขาไปเกิดแล้วการภาษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกเขาไปเกิดแล้วเราก็ไม่รู้หน่อยเนี่ยก็ถามคนแถวนั้นเนี่ ย, ยมีโยมชื่อแตงอ่อนเคยตายที่นี่มีไหมมีโยมคนหนึ่งเขาบอกมีสมัยไ เ, เด็กเนี่ยปู่ย่าตายายเขาบอกว่าคนชื่อแตงอ่อนเนี่ยเขามาจากที่อื่นแล้วเขามีลูกน้อยด้วยเนี่ยมันก็ตรงกันอย่างเงี้ยเรื่องนี้อีกนะมีเอะทองหยิบทงหยอด ทองย้อยมีมีสามคนพี่น้องกันผู้หญิงนะโยมท่านจะบอกมีอีกเอ้าทำไมมีอีกเนี่ยเนี่ยตรงต้นกระโปเนี่ยนาเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไปสัมผัสกันอย่างเงี้ยเราเองก็ไม่ใช่คนให้นั้นจะไปรู้จะรู้เชียงไกเราก็ไปรู้กันเนาะเออมีจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรามาทําบุญกันอยู่เนี่ยดีไม่ดีอาจจะอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วแล้วกลับไปทําใหม่เนี้ย คล้ายๆว่ากลับไปทําที่เจ้าของแตอนนี้พอเราเกิดมาผู้ที่ยังไม่เกิดมันก็ต้องมีมันก็ต้องไปดึงกันมาเนี่ยไปดึงกันไปบอกกระทิบข่าวเล่าขานกันไปวัดช่างแล้วมาช่วยกันหน่อยไม่จึงไหวอ่ะแล้วยอยินโยมเนี่ยก็ทํามุติเนี่ยเราจําชื่อทุกครั้งในโยมอ้อทุกทีเลยจริงๆไม่ชื่ออ้อนในโยมเนี่ <laughs> ยโยมเนี่ย เ, เราเรานึกชื่ออ้อทุกครั้งเรารู้เป็นไงเราก็จะเรียกอ้ อ, อตลอดเลยนะ เัืงที่ชื่ออยู่เลยเนาะจำไม่ได้พดเลยไปก็ชื่อออแหละแสดงเมื่อก่อนคงเป็นชื่อออแน่เลเนี่ยอังนี้จริงๆเรานึกที่เราคุยกันอย่างนี้ยังคุยอยู่นะพ อ, พอหลุดไปหน่อยเดี๋ยวอาจจำชื่อไม่ได้แล้วก็ยังชื่อออเลยนะแสดงว่าชาติก่อนน่าจะเป็นคนชื่อออแน่เลยเนี่ยที่ถวายกุดแล้วก็ที่หลวงปู่สุพรรณมาอยู่เนาะเขาก็ยังไงฝันมาถึงพ่อเขาที่ว่า มารับบ wow. ุญส่วนบุญนี่เนาะพี่สาวปถามว่าพ่อมาเรียกพี่สาวนี่ดีเลนี้ลยมากพ่อมาเนี่ยล่าเลมากอารมณ์ดีแจ่ไปมากผมื่เห็พ่ออารมณ์ดีนี้ตัวเขากาสว่างเลยตัวทั้งตัวทั้งจะบัวตึ้งชาเ้าบอกว่าพี่สาวสว่างแบบนี้เลยเหมือนเป็นราชินีองค์องค์อะไรของเขาเีมากแล้วเนี่ยพี่สามาจะเกยบตัวเลขให้นะอย่มอเดียด นั่นแหละคือทำวุทิศให้่นีเออ่เลยังไม่ได้จ้างถายด้วยจะจ้ารวมชมว่าหนูบอกพี่น้องๆเนี่ยคือสัเกือประมาณสัปดาห์ถึบอกว่าหก็ไม่กล้าบอกใคไม่กล้าเชื่อใครก็คืออาจจะเฉลยชวเพราะเรานระจำต้องจ้ใช้สองสปด์ค่ะเพราะว่าต้องใช้คนเป็นอินทิคุติแล้วเออนีกัอยู่สองแดดด้วยปวดตอนสองแดอไม่ได้กินชามือสบเลค่ะ ค่ะแล้วตอนนั้นช่วงานั้นนะคะแล้วหนู uh, ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูถึงบอกพี่น้องว่าอย uh, ่ทํานนุำผิด น, นะให้พ่อให้แม่าจใหญ่นอแล้ว ก, ก็ใครจะร่วมก็ร่วมกับพี่น้องอ่ะและ้วเขาไม่รู้ทำฝังมัน น, น, น, uh, นตบที่สร้าเมามาบอกว่าเนี่ยพ่อมาหาหมันเรียกแล้วมันดีจ้าโหสว่างมากเลยอารมณ์ดี uh, แท้เลหูหูยังไม่สว่างเลยนะ uh, ยังไม่ได้ทำดีๆยังไม่ได้สร้างฐานอะไรเลยหรออ ก็ทราบข่าวทราบข่าวโลกหลานทำบุญก็มายินดีนะยินดีทา่านกนาบุญก็ตอนนี้มีทั้งหมดห้าหลังนะแล้วโอนเงินแล้วกุฏิยังไปทำไเดี๋ยวหมดฝนเงินเนี่ยหลังละสองแสนสามเนี่ยโอนเงินให้เลยประจ่ายก็นี่คือแปลกเป็นอาศาัศจรรย์ตรงนี้พอรู้ข่าวกันเหมือนอย่างเพชรพอยที่เราถวายกันเนี้ยเนะี่ยทุกเครื่องประดับ เพราะว่าสร้อยสั้งวันที่เราหล่อไปกันเนี่ยมันเป็นพลาสติกเป็นไฟเบอร์นะของของเดิมเขาเนี่ยเราไปจับอุปกรที่คล้องถุงรูอ่ามันเป็นพลาสติกเรานึกว่าเป็นโลหะตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นพลาสติกแล้วเขาก็เอาพอยพลาสติกอ่ะติดติดตดไว้เราก็โอ้โหอะไรราคาเป็นล้านอาพลาสติกมาให้เราอย่างงี้เนาะน่าจะเป็นโลหะเอาพลอยพลาสติกอย่างเพว่ามันเือแก้วสีก็ยังดีแก้วสีมันกลายเป็นพลาสติกหมดเลยล้านสองเลย นั่นแหะอันนั้นนี่ยเราก็เลยมาคุยกับญาติโยมเอ๊ะมันโอ้โหของขนาดนี้มันเป็นพลาสติกได้ยังไงเราคิดเงี้ยไปทําใหม่เถอะก็เลยถอดออกมาไปให้เขาไปไปหลอมใหม่ไปทําเป็นโลหะมาตอนนี้มันก็ต้องใช้พลอยติดงเงี้ยก็เลยแจ้งข่าวไปถ้าใครมีพลอยก็ามาประดับตรงนี้กันอะไรเงี้ยเนี่ยคนก็ามาให้เยอะเมื่อกี้ก็มาให้หลายหลายค น, ย น, นเนอะได้มาให้กันก็ตอนนี้รอให้เขาหลอม เขาหล่อตอแล้วมากก่อนบางคนก็โทรมาเขาจะให้เหมาเลยเขาจะให้คนเดียวเลยบอกเดีเดียวยงยังไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะว่ามันต้องหล่อออกมาก่อนแล้ถึงจะรู้ว่าขนาดพอยเท่าไหร่แล้วเอาพลอยที่มีอยู่เนี่ยเอามาประดับก่อนถ้าขาดหรือถ้าไหล่ยงให้เก็บตกกอนแล้วกันโยงคนนึงโทรมาหาเราเนะี้ยเขาเป็นเจ้าภาพหมดเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดเรามีบ้างแล้วมันก็เหตุการณ์ที่แปลกพิสดารนม่ยมว่าเนี้ย ที่ตรงเนี้ยมันมันเหมือนกับเป็นที่อยู่ของคนชั้นสูงอะ่ะแล้วของดีๆทั้งนั้นโยมที่เห็นน่ะเขาถวายมานะนาฬิกาโต๊ะก็อ้อยพวกอะไรมันถวายมาในเก้าสิบเอร์เซ็นต์นะซื้อนี่สักสิบเปอร์เซ็นได้ไอที่ซื้อซื้อเอาอะส่วนใหญ่ถวายหมดมัน ก, ก็ทั้งเหล็กเนะี่ยเหล็กอย่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยเยอะมากต้นลงต้นไม้ทีว่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ยเขาจะมาปลูกแล้เนี่ยได้กี่โมงแเนี่ย เพราะว่าถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเขาไม่รู้จะปลูกตรงไหนที่นัดไว้ก็มีใหญ่นะเมื่อวานเนี่ยเราเดินรอบวัดนี่นั่นแหละเอ๊ะมันน่าจะมีต้นไม้สักก็เดี๋ยวโทรมาแล้วอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี่แค่ไอคนเขาจะไปปลูกอาจารย์คอยชี้ให้เขาหน่อยเพราะว่ามันมันเขาต้องมาปลูกเลยไงที่ที่คุยกันไว้ถ้าเราไม่อยู่เนี่ยพระไม่รู้เรื่องอนะ่ะเดี๋ยวไอคนปลูกเขาก็จะรออย่างเงี้ยไอที่ว่าโทรมาเมื่อวานหายิบอิ๋วแล้วก็มีช่างเขาจะไปกดเข็ม ทางวติอีกเมื่อวานได้ตีผังมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวในช่างเขาจะเข้าไปคืองานบางอย่างเนี่ยพระก็ไม่รู้ทุกเรื่องเลยเหมือนอย่างเราทํางานกัยเนาะเพราะฉะนั้นที่พื้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของคนชั้นสูงของดีๆย่างนั้นเลยแล้วพอยที่โยมาให้กันเนี่ยโอ้ยราคานี่ของแท้หน้าจานของแท้ของแท้คิดดูว่ามันเป็นเงินหมื่นเนีเมืม่อกี้เขาจะมาให้อันที่ว่าแหวนแหวนเล้าๆ แ, แ, แต่กๆเลย เอามาให้ได้เลยเพราะว่าเรามีลูกศิษย์ที่สามารถที่จะเกียรได้มีโรงงานเกียร์เทียร์พอยนั่นแหละบุญทั้งหลายที่เราทํากันเนี่ยมันก็จะเป็นสมบัติของเราแล้วก็จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็คือตัวนี้แหละสุขคาบุญทีสักอุตโยเนี่ยการทางสมบุญนำสุกมาให้ก็คือว่ามันต้องสะสมเองในอันนึงโลกวิญญาณนิยมโลกวิญญาณเนี่ ย, ญญนนยมันไม่เหมือนโลกมนุษย์โลกวิญญาณเนี่ยโลกมนุษย์เราเนี่ยเป็นภพโคมที่ดีที่สุด นพราะพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นก็ในโลกมนุษย์ยนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าทำภพภูมิให้เสียไปเนาะขอให้เราตั้งมั่นในศีลในธรรมที่เราศึกษามาดีแล้วว่าแล้วก็จะลาโยมแล้วถ้าแค่อะไรพอเดี๋ยวมาแล้วทําไม่ได้ต้นไม้มาแล้วคนปลูกมันจะด่าหัว เ, <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่รู้นะวพราะวันนี้เขาโทรมาตอนเย็นบอกเอา้าเป็นอย่างนั้นไป อที่ดินเมื่อกี้นิยมเขาถามกันว่าที่ดินที่เราคุยกับเขาเนี่ยเราซื้อหนึ่งไร่ในราคาหกแสนแล้วเราออกค่าใช้จ่ายให้เขาทั้งหมดก็คือว่าค่ารังวัดกับค่าโอนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อเพิ่มเนี่ยเขาก็จะขายให้ได้ห้าไร่ห้าไร่ไปทางเข้าไปทางในก็เลยว่าตกลงกันไร่หนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าคุยกัน ลงรอยเดียวกันก็จะเป็นห้าไล่แต่เขาจะรังวัดได้ประมาณเดือนสิงหากันยาพ่อเขาเสนอให้ที่ดินมารังวัดแยกก้อนมันเป็นถนดหลายผืน ทำบุญก็สามารถร่วมได้นะครับตอนนี้เรือเตรียมของมาก็เตรียมพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะกล่าวคำถวายก่อนนะครับ Thank you. พรนานะครับก็มีคณะนะครับของชมรมพุทธแล้วก็ทุกท่านญาติธรรมได้ดร่วมบุญกันมาก็จะถวายเป็นเทียนพันษานะครับเป็นผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็จะตุ ป, ปัญใจอันควรแกส่สมณบริโภคในช่วงพันษาการนะครับขอให้ตั้งใจนะครับ ทุกท่านให้กาวนมโมาจบแล้วก็กล่าวคำถวายในลำดับต่อไปนะนโมตัสสะพากาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพากาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาาาาะ ธาทาวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะอิมานิมยังันเตอิมานิมยังพันเตสิจีวรานิสิจวรานิชาปริวรานิาปริวรานิสิลวันตัชชาสิโลวันตัโนชยามะโนยามะสาธุโนพันเต ล ว, วัตอิมานิิจิวรานิชาปาริวารานิปฏิคันหาตุอำหากังทีครัตังทิตา ย, ายะทุขายะข้าแต่เ่านผู้ชงศีลผู้เจริญที่พระเจ้าทั้งหลาย ไตรจีวรตัดทั้งของริวานทั้งหลายเหล่านี้ในท่านทรงศรีลขอท่านรงศีลโปรดรับขอท่านผู้งศีลโปรดรับข้าไตรจีวรตัดทั้งของบรบวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายห่หยเป็นประโยชน์ ในความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้เกิดความเจริญก้าวหน้าจากบริสัทพรลคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและขอแผ่สมบุญสมบุญแด่ปีชนญาติทั้งหลายอันมีบิดา าาดาออุปชาอาจารย์ทรทั้งเทพยาดาเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรนายเวขรขปัสสัต ท, ทั้งหลายและด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้เป็นอุปนิชัยเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ไดแจ้งสั่งรับผลนิพพานด้วยเธิ น, น, านธสาธุ